ก็การวิ <c oughs> จัยของอาจารย์รู้สึกละเอียดกับเมื่อวานนะเออ่มได้ลงไปจับได้ละเอียดขึ้นแต่ว่าในขอแก้จุดเวทนา น, นิดหนึ่งนะจุดที่ว่าอาจารย์เคีวข้าโพดว่าความรู้สึกแข็งหรือหวานเนี่ยราะว่าความรู้สึกแข็งเนี่ยม <c oughs> ันปเป็นรูปเป็นความรู้สึกเป็นรูปใช่ <c oughs> ความรู้สึกหวานเนี่ยจะเป็นนามอาจารย์พูดอย่างนี้หรือเปล่าจี้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 มันมีรูปนามและก็นามรูปรูปนามคือรู้ว่าข้าวแข็งและหวานนะแล้วก็มีชอบใจเป็นนามรูปนามอยู่ตรงไหนนามลว้ลวนๆอยู่ตรงไห น, น <c oughs> ที่มันมีความรู้ตรงนั้นท่านมีไหมตรงนั้น<ม>ถ้ารู้ว่าแข็งแสก็ ว, ว่าแข็งนะเป็นนามลว้ลวนๆหวานแัก็ ว, ว่าหวานเป็นนามลว้ลวนๆแต่ที่นี่มีการรู้ชอบใจ เป็นนามารูปไปแล้วตรงนั้นน่ะนิดเดียวนะจากนามเป็นนามารูปอ่าแต่เมื่อย้อนดูอีกทีโอ้เราชอบใจแล้วนี่อันนี้นามเกิดขึ้นทันทีเลยถึงแยกทันไหมอาจารย์แจสุการตัวนี้ <laughs> นิดเดียวนะเซี่ยวนิดเดียวนะระหว่างรู้ว่าถ้ารู้ว่าแข็งอ๋มันแข็งรู้ว่าหวานอ๋อมันหวานอ๋อนี่ชอบใจอ๋อนนี้รู้สึกชอบใจตัวนี้แยกเป็นนามลว้ลวนเลยนะตัวนี้สําคัญ เ, เดียว แล้วก็วันนี้พระอาจารย์แยกได้ละเอียดตรงที่ว่าในอินิบทการเดินแล้วก็การาปรับคือในการปรับที่ได้กล่าวเมื่อวานเนี่ยถ้าหากว่าเรานั่งไปนานๆถ้าเราปวดมากๆเนี่ยแสดงว่าเราเกิดอาการเกลิงเพราะมีการกดทับนะวันนั้นหาความพอดีตรงนั้นอะที่เช้าเราพูดถึงเรื่องหาความพอดีใช่ไหมที่วันนี้บทเรียนวันนี้หาความพอดีระหว่างเวทนา พอดีก็คือถ้าเกรงเกินไปไม่พอดีแต่ถ้าหากว่าสบายเกินไปก็ไม่พอดีที่ปรับให้พอดีระหว่างความสบายไม่พอดะความสบายกับไม่สบายเนี่ยให้พอดีมันก็เกิดอาการเป็นกลางตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปรับตรงนั้นได้นะถ้านั่งเราปวดที่ศูนย์นี่หมายความว่ามันไม่พอดีแล้วแล้วก็ปวดต่อไปอาการก็จะเกร็งเรื่อยๆพราะเนื่องจากเราเรานิ่ง แต่อาการของอนิจจังไม่ใช่เป็นอาการที่นิ่งใช่ไหมเป็นอาการที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนตามนิดหน่อยเปลี่ยนพอพอไม่ให้เกิดเวทนาอนิจจังตรงนั้นมันจะกลายเป็นทุกข์ทุกขังแต่พอเราปรับนิดเดียวอนิจจังตรงนั้นกลายเป็นตัวสติขึ้นมาตรงที่เรารู้จักปรับให้พอดีเพราะฉะนั้นาการที่เราปรับนิดหน่อยนี้ไม่ไม่เป็นการเสียกิริยาแต่ใ น, นแง่ของนักสมถะแล้วไม่ยอมนักสมถะปวดเป็นปวดตายเป็นตายสู้กัน นีลักษณะนี้เป็นตึงแบบฤๅษีแล้วก็จะปรับเอาเวทนาตรงนั้นมาเป็นพลังในแบบปฏิหารแต่พอมาเป็นพุทธะปรับหาสายกลางคือปรับตัวอนิจจังตรงนั้นให้ให้พอดีอลิเลน่นิดหนึ่งออกมาขยับนิดเดียวก็จะความอนิจจังตรงนั้นก็จะคลายแทนที่จะไปเป็นทุกขังใช่ไหมทุกความหนักความนวงความเจ็บตรงนั้นก็จะคลายทันทีก็จะเกิดความผ่อนคลายความผ่อนคลายเป็นความเป็นเห็นได้เกิดตัว เหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ความตึงนี่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัวโมหะตรงนี้เป็นตัวพอดีที่สำคัญนะอันนี้จุดที่วิเคราะห์อาจารย์สงกรานต์เล็กมานี่เอาไปให้คุณนุมเตี้ยชื่อจริงว่างไงนะสีบางออน่ฮะสีสีบางอ่อ<ะ>่ีบงอนสีบง อ, บงอ่โอเคจะมาสีบางออนต่อ